ข่คาถานี้ชื่อว่าปัฐยาวัตสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ในคำภีวุตโตไทยว่าปัฐยาวัตท่านกล่าวไว้แล้วด้วยจะคณะแต่หน้าสี่อักษรในบาทคู่ทั้งหลายบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสเมสุได้แก่ในบาทคู่ทั้งหลาย กล่าวคือบาทที่สองและบาทที่สี่บทว่าสิ้นทุโตได้แก่ทัดแต่สี่อักษรขึ้นไปคาว่าทัดแต่สี่อักษรขึ้นไปนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเพราะในบาทแห่งคาถาว่ามังการานิอจินตยุงนี้แสดงชะคณะแม้แต่อักษรตัวตนบทว่าเจนะ แปลว่าด้วยชคณะบทว่าปกิตติตังแปลว่ากล่าวแล้วคาถานั้นชื่อว่าปัทยาเพราะเป็นวาจาที่จะต้องกล่าวด้วยชื่อว่าวัดเพราะจะต้องร่ายโดยจจตุราวัดด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัทยาวัดส่วนในบาทขอนทั้งหลาย กล่าวคือบาทที่หนึ่งและบาทที่สามสะคณนะและนะคณนะถัดอักษรตัวต้นขึ้นไปย่อมไม่มีคณะเหล่าอื่นท่านไมหมฮาพันานาความแห่งคาถาทูล ถ, ถาม